ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่35คอลัมน์สัพเพเหระธรรมตอนธรรมะจากเจ้าตัวเล็กโดยมีผู้ถ้าว่ากันถึงเรื่องธรรมะคนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงการไปเข้าวัดเข้าวามีแต่คนรุ่นหลังเกษียณผมสองสีไปนั่งฟังหลวงตาเทศเพื่อให้ได้คติธรรมแง่คิดต่างๆกลับบ้านมา อันที่จริงแล้วช่วงสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาผมมองชีวิตด้วยความเป็นกลางมากขึ้นก็เห็นได้หมดว่าอะไรอะไรก็สอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องรอหาโอกาสเข้าวัดเราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้จากคนรอบตัวนี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวของเราเรื่องที่จะบอกเล่าในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเจ้าตัวเล็กคนหนึ่งในบ้าน เจ้าตัวเล็กนี้ไม่ใช่ลูกผมเองหรอกครับเป็นลูกของพี่ชายบ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่พี่ชายพี่สาวผมมีลูกๆ ก, กันแล้วรวมๆแล้วมีหลานสี่คนภายใต้การปกครองของผมหลานคนนี้เป็นหลานชายคนเล็กตอนนั้นอายุรเราๆสองขวบเศษ เ, เขากําลังติดแม่ของเขาแต่มาวันหนึ่งแม่เขาก็จากเขาไปอย่างกระทานหัน เด็กน้อยก็เลยได้รับการเลี้ยงดูจากบรรดาอาทั้งหลายและก็ปู่ย่านั่นเองธรรมดาของเด็กอายุแค่นี้วันๆก็ยังไม่มีอะไรมากครับกินนอนเล่นสนไปเรื่อยเปื่อยแต่ที่จริงแล้วการทำงานของสัญญาก็เริ่มขึ้นกับเด็กตัวแค่นี้แล้วถ้าเวลาเขาเล่นเพลินๆ อ, อะไรไปเขาก็อยู่ของเขาได้เรื่อยๆ เ, เหมือนมีความสุขเพราะกาลังหลงเพลินไปกับของเล่น หรือสิ่งที่ตัวเองสนใจแต่พอจู๋จูสัญญาของเขาทำงานขึ้นมาเขานึกถึงแม่อยากหาแม่จะร้องหาแม่ขึ้นมาคราวนี้อาอย่างผมจะไปหาแม่ของเขามาให้ได้ยังไงล่ะครับการพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกอย่างหนึ่งเด็กตัวน้อยจะคมจิตใจตัวเองยังไงไหว เขาก็ต้องร้องไห้อยากได้สิ่งที่รักที่ห่วงแหนกลับคืนมายิ่งสิ่งนั้นเป็นแม่ของเขาเองยิ่งมีความรู้สึกผูกพันฝังลึกในสัญญาของเขาเมื่อไรที่เกิดนึกถึงแม่ขึ้นมาความทุกข์ก็กลับมาอีกทุกข์ของเด็กน้อยไม่เพียงแต่ตัวเขาเองที่ต้องร้องไห้คนรอบข้างที่รักและเลี้ยงดูเขาอยู่ ก็พลอยสงสารต้องหลั่งน้ำตาเวลาที่เห็นเขาร่ำร้องหาผู้ให้กาเนิดแต่ถ้าหากเรามองสภาพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางให้เห็นได้ถึงความไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้ถึงเวลาที่เด็กนึกอยากหาแม่ขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเองเวลาจะเลิกนึกถึงแม่ก็ดับไปเองบังคับให้ดับตลอดไปไม่ได้ให้เกิดตลอดก็ไม่ได้ เมื่อเหตุที่ทำให้เขาปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมานั้นดับไปเขาก็จะกลับมาเป็นปกติวิ่งเล่นสนกินขนมทั้งน้ำตาได้อีกเหมือนเราเองที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่นำความเศร้าของคนที่เรารักมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ให้เราต้องทุกข์ไปด้วยคอยรู้ทันจิตใจของเราเองย้อนมาดูที่ตัวเราเวลาเห็นหลานร้องไห้เราสงสารก็รู้ว่าสงสารแทนที่จะพลอยเศร้าไปกับเขาอีกคน พาให้บรรยากาศหดหูลงไปอีกเรียนรู้เข้ามาที่ใจเราบ่อยๆวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าทุกที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันก็ผ่านมาชั่วคราวเมื่อไรที่ใจปรุงแต่งก็เกิดทุกข์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อไรที่มีสติรู้ทันจิตที่ปรุงแต่งทุกนั้นก็หายไปเองกุศลเกิดขึ้นมาแทนที่เพียงแค่เราดูสิ่งที่มากระทบเราทุกวัน ตลอดเวลาเราก็จะมีธรรมะของจริงเกิดขึ้นได้ในบ้านในใจของเรานี่เองเพียงเท่านี้ข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปปฏิบัติก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตเร่งรีบอีกต่อไปคุณผู้อ่านลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองดูสิครับเวลาคนในบ้านของเราเขามีความสุขความทุกข์หรือทําอะไรมากระทบจิตใจของเรา แล้วคอยดูว่าเรามีสติรู้ทันจิตใจเราหรือไม่ลองเล่นเกมดูใจของเราดูทำบ่อยๆตามดูไปสบายๆเราจะเห็นความจริงมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นและมีความสุขทั้งๆที่คอยดูว่าใจเราทุกข์นั่นแหละครับเสียงอ่านโดยพงเพชรอมรอศิ